ขาดความมั่นใจไม่เคยรู้สึกว่าจะทำสาเร็จถามตั้งแต่เด็กๆผมจะขาดความมั่นใจในการทำงานให้เสร็จอย่างเวลาครูให้งานมากๆจะรู้สึกทันทีว่าไม่มีกำลังไม่มีความสามารถจะทำให้ทันหรือตอนจะสอบวิชาที่ไม่ชอบก็เหมือนมีก้อนหินหนักๆมาถ่วงไว้ไม่ให้เปิดหนังสืออ่านไว้ แล้วในที่สุดก็ส่งผลกระทบกับชีวิตการทำงานเจ้านายสั่งให้อ่านเอกสารแค่เห็นแฟ้มหนาหน่อยก็อ่อนระทวยผานอยากจะลาออกเด๋ยนนั้นแล้วอย่างนี้ผมเคยไปทำกรรมประเภทขัดความความเจริญใครเข้ามาหรือเปล่าถ้าใช่จะต้องแก้ไขอย่างไรครับต่อ กรณีแบบนี้อย่าไปมองเรื่องกรรมเก่าที่มองไม่เห็นหรือพิสูจน์ได้ยากเลยครับปัญหามันกองอยู่ตรงหน้าแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนดีกว่าตอนคุณจะเปิดแฟ้มเอกสารใหญ่ๆใจมันจับอยู่ที่แฟ้มทั้งแฟ้มใช่ไหมละ่ะถ้าใจจับอยู่ที่แฟ้มทั้งแฟ้มก็เป็นธรรมดาที่ต้องรู้สึกหนักอึ้งแล้วความรู้สึกหนักอึ้งนั้นเอง ก็กดปกแฟ้มเอาไว้ขณะเดียวกับสำนึกรับรู้ภายในก็บอกตัวเองว่าคืนไม่เปิดคืนไม่อ่านเดี๋ยวก็ตกงานกันพอดีไม่แปลกที่ความรู้สึกอึดอัทรมานจากความขัดแย้งภายในจะบีบให้คุณรู้สึกอยากลาออกไปให้พ้นผลงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับสำเร็จได้จากการเริ่มทำอะไรเล็กๆ แปลว่าถ้าใจคุณจับอยู่กับงานเล็กๆก่อนในที่สุดงานใหญ่จะสำเร็จลงได้การทำงานไม่เหมือนการพิชิตยักษ์โอเคถ้าคุณเป็นเจ้าชายที่ถูกยัดเยียดให้ไปปราบมังกรร้ายอย่างนั้นคุณจำเป็นต้องโฟกัสกับมังกรยักษ์ทั้งตัวเพอกระพริบตานิดเดียวมันพ่นไฟใส่ให้คุณมองเท่งได้ทันทีแต่นี่คุณเป็นคนธรรมดา รับงานหนักหน่อยก็จริงแต่คงไม่มีใครยัดเยียดแฟ้มสูงเท่าเพดานให้คุณพิชิตยอดภายในสินาทีแน่นอนแบ่งทำทีละงานสิครับงานที่เล็กที่สุดในการจัดการแฟ้มใหญ่คือเอื้อมมือไปเปิดปกแฟ้มเพื่อเริ่มการเอกสารออกอ่านเอาใจไปจับอยู่กับงานง่ายๆแค่นั้นก่อนอย่าคิดว่าคุณกาลังปราบแฟ้มทั้งแฟ้ม คุณจะรู้สึกว่างานเบาลงทันทีขอให้ทดลองดูเถอะแล้วจะรู้ว่าคุณสามารถทำได้ทุกครั้งเมื่องานง่ายที่สุดผ่านไปแล้วขั้นต่อมาคือคิดถึงงานง่ายที่สุดลำดับต่อไปนั่นคืออ่านประโยคแรกให้จบอย่าคิดว่าคุณกำลังจะอ่านร้อยประโยคพันประโยคให้หมดรวดเร็ว คุณจะพบความจริงที่ว่าสมองและร่างกายมนุษย์นั้นขอให้เริ่มต้นทำงานเถอะเดี๋ยวจะมีกลไกสอดสัมพันธ์ให้เคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กระทั่งบรรลุจุดหมายปลายทางไปได้เองอีกประการหนึ่งพอทำเรื่องเล็กๆ เ, เสร็จอย่าเพิ่งอนุญาตให้ตัวเองมีข้ออ้างว่าทำเสร็จแล้วพักยาวๆเส้นหน่อยเพราะการพักยาว จะไปเรียกเอาความขี้เกียจกลับมาใหม่เอนมันจะยึดสมองมันจะเฉื่อยการพักบ่อยๆเป็นเรื่องดีขออย่างเดียวอย่าให้นานเกินไปคุณอาจสูตรลมหายใจช้าๆลึกๆทอดตามองทางอื่นเพื่อเคลียร์สมองให้ว่างเปล่าพักหนึ่งพักนานเท่าที่พอใจโดยมีสติกำกับไปด้วย ถ้าเห็นว่าความคิดเริ่มแช่ไปในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานก็ให้รีบกลับมาทำงานต่อทันทีก่อนจะเกิดสภาพจมปลักหรือติดลมกับความเฉื่อยชาคุณจะพบว่าตอนงานเสร็จนั้นคุณไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรอกเพราะทำมาเรื่อยๆไม่เสียเวลาอิดออดหรือตามใจตัวเองเหมือนคนว่ายน้าระยะยาว ถ้าคิดถึงปลายทางตั้งแต่แรกก็ถอดใจไม่อยากให้ไปถึงแต่ถ้าจ้วงน้ําเรื่อยๆทำวินาทีนี้ให้ผ่านไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางก็ใกล้เข้ามาเองโดยไม่ต้องตั้งความหวังรอคอยแต่อย่างใดเลยแค่เปลี่ยนมุมมองตามหลักการอันเป็นสุดยอดของแนวปฏิบัติทางพุทธคืออยู่กับปัจจุบัน คุณจะแก้ปัญหามือง่อยเท้าง้อยในการทำงานได้ตามลำดับใจจะไม่ปั่นป่วนฟุ้งซ่านวกวนแต่อย่างใดเลยและสูตรสำเร็จคือทำเฉพาะงานเล็กๆตรงหน้านี้สามารถแก้ปัญหาได้ครอบจักรวาลแม้คุณเข้าใจว่านี่คือกรรมเก่ากาลังให้ผลกรรมใหม่ในการตั้งมุมมองใหม่ก็จะค่อยๆลดความกังวลบรรเทาความฟุ้งซ่าน อ, อึดอัทรมาลงไปได้เรื่อยๆการสร้างนิสัยใหม่วันต่อวันก็คือการสั่งสมบุญใหม่ชะล้างบาปเก่านั่นเองครับ